ตอน6ชีวิตที่ดีเป็นอย่างไรบทที่23บทความประกอบที่6ความสุขเจ็ บ, บประมนลความความนำพุทธศาสนา คือระบบการพัฒนาความสุขในพระพุทธศาสนามีการกล่าวถึงความสุขชื่อต่างๆหลากหลายมากมายและจัดแบ่งไว้ทั้งโดยขั้นและโดยประเภทเป็นสุขสองอย่างสมอย่างสามขั้นหขั้นไปจนถึง10บขั้นสูงขึ้นสูงขึ้นไปจนถึงความสุขอย่างสูงสุดลองดูชื่อความสุขในคำภีทั้งหลายจะเห็นว่ามากมายเหลือเกิน ที่สําคัญก็มีไม่สําคัญก็มีเช่นว่าบริโภคสุขอุปโภคสุขโภคสุขกายสุขจิตตสุขกายิกสุขเจตสิกะสุขกามิสุขสามิสุขหรืออามิสสุขนิรามิสสุขอุตุสุขเกียรติสุขปุตุชนสุขมนุษยสุขทิพยสุขมหาชนสุขสัพพโลกสุข มัทุรสุขกุศลสุขธรรมิกสุขภาวนาสุขนิตยสุขสังสารสุขโยคสุขโลกิยสุขโลกุตตรสุขวัตตสุขวิวัตตสุขโอลาริกสุขสุขคุมสุขสมาธิสุขชาณสุขวิปัสนาสุขอริยสุขอนาริยสุขวิเวกสุขสันติสุข วิโมกขสุขวิมุตติสุขสัมโพธิสุขบรมมสุขดังนี้เป็นต้นทั้งนี้เมื่อพูดในแง่การปฏิบัติท่านกล่าวถึงความสุขต่างๆพร้อมทั้งบอกได้ว่าอย่างไหนขั้นไหนดีอย่างไรยังมีข้อเสียอย่างไรความสุขอีกอย่างหนึ่งหรืออีกขั้นหนึ่งดีกว่าอย่างไรการบอกให้รู้ว่าความสุขมีมากมายแล้วก็มีความสุขที่ดีกว่ากัน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 เมื่อเราจะพัฒนาก้าวหน้าไปได้ก็ต้องรู้ข้อดีและข้อด้อยเป็นการจับจุดให้ชัดแล้วจึงจะพัฒนาไปได้ดังนั้นพระพุทธศาสนาเวลาพูดถึงอะไรก็จึงบอกให้ดูทั้งข้อดีและข้อด้อยหรือข้อดีและข้อเสียของสิ่งนั้นๆเรื่องนั้นๆพูดตามภาษาพระข้อดีเรียกว่าอัศทะข้อด้อยเรียกว่าอาทีนวะ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 เป็นเรื่องใหญ่และจะพูดว่าพระพุทธศาสนาคือระบบการพัฒนาความสุขก็ได้